เดี๋แม่ถามมั่งลูกตั้งใจฟังให้ดีนะเดี๋ยวแม่ถามอะไรลูกตาตอบไปยังไงอ่อากอดเออคือของหนูเนี่ยคือหนูเข้าใจโดยทฤษฎีคือคือหอนเขเข้าใจเข้าใจภาพทฤษฎีทั้งหมดนะคะว่าว่าเอ่อเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรมากระทบกับเราไม่ว่าทางเอ่อหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็คือ ครับรู้ว่ามันมีอะไรกระทบแล้วเราก็คือเราไม่มีต้องเอาหลักคําเราทิ้งไปเพราะว่าพอพูดว่าเป็นเราเป็นเราแล้วก็หมอเนี่ยเดี๋ยวหมอบอกหมออะไรนะบอกหมะกอบเนี่ยหมอกอบเนี่ยเป็นจริงเป็นจังไปเลยเป็นเราเป็นตัวเป็นจริงเป็นใจแยกมาอีกตัวหนึ่งเลยก็คือว่าถ้ามันมีอะไรมาทบทางตายหูลิ้นจมูกกายใจก็ ให้มีสติรู้ตัวรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองแล้วก็มาส่ดลมที่สติอยู่กับปัจจุบันที่ลม ห, หายใจเข้าหายใจออกแลก็ยังไม่จบดิยังไม่จบอะทีบายขอฟังโยมแม่ถามก่อนอ่ะก็ก็คื อ, อ, อพอมีอะไรเกิดขึ้นกระทบความรู้สึกสติก็จะรู้ว่า เหมือนมีผู้รู้รู้ว่ามีอารมณ์อันนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่เข้าไปแทรกแซงกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปค่ะก็คือคือผู้รู้คือสติที่เกิดขึน้นก็ไม่ได้อยู่กับที่ตลอดเวลามันก็หมดพอเกิดขึ้นมันก็หมดไปเพราะว่าแล้วเราก็จะก็สติ กำลังทำอะไรอยู่คสติก็อยู่ที่นั่นครับโยแม่คื่นแลมันดับมันไปเองเราไม่ได้มีหน้าที่ไปทำอะไรเราก็ากพอตกใจล้วก็ไม่ไปทำอย่างอื่นเพราะเราก็มีสติรู้ตัวรู้เท่าทันใจแล้วแล้วเราพอเราอยากไปทาอย่างอื่นแล้วก็มีสติ แค่นี้ครับฟังลูกตาได้ฟังลูกชายด้วยเอาว่าไงเนี่ยอวิชาตะ บ, บุตบ้างเนี่ยอา่าเขาพูดถูกหมดนะเนี่ยลูกชายเนี่ยคือที่คือเหมือนตอนนี้หนูพยายามฝึกให้สติเนี่ยตั้งอยู่ที่ใจเพื่อจะรับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมีอารมณ์หรือความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วหนูก็ปล่อยอให้มันเกิดขึ้น แล้วก็ดูว่ามันดับไปเมื่อไหร่แต่ว่าก็ไม่เข้าไปแทรกแซงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอ่อเหมือนความรู้สึกมันจะแยกได้ว่าอันนี้คือเรากําลังดูความรู้สึกอยู่หรือว่าอันนี้เราหลงไปกับมันทําไหร่ที่หนูรู้สึกว่าเอ่อหนูเอาหนูออกเลยหนูเอาเราออกเอาเราออกหนูออกเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยหมอก็พูดเวลาพูดเนี่ยหมอก็เป็นตัวมีตัวเราแยกออกมาอีกตัวหนึ่งเลยอืมีหนูจริงๆมีหนูพยายามช่วยตัวหนูมีเราพยายามช่วยตัวเรามีตัวเราในยืนพื้นแยกออกมาจาก ธรรมชาติสองสิ่งคือมีธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติในปรุงแต่งธรรมชาติมีแค่เนี้ยแต่มันเกินมาอันหนึ่งคือมีตัวเรามีตัวเรามีตัวหนูมีตัวเรายืนพื้นเลยตัวหนึ่งมันเกินมามีสามอย่างแต่ธรรมชาติมีสองอย่างคือมันมีธรรมชาติที่ปรุงแต่งได้กับธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้มีแค่นี้เองธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้มีหน้าที่รู้อย่างเดียวกับธรรมชาติที่มีหน้าที่ปรุงแต่งได้แต่เวลาเดมกรพูดเนี่ย สังเกตดูว่าเราเราอย่างนี้เร า, เราพยายามนี้เราพยายามรู้ไว้เราพยายามไม่หลงไปพอรู้แล้วเราพยายามให้รู้สึกตัวไว้มันมีอีกตัวหนึ่งเลยมีตัวเรายืนพื้นจริงๆเป็นตัวที่สามมันเกินมาเกินธรรมชาติมาไอตัวนี้เลยตัวปัญหามีแต่สติหลงแล้วก็เอรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าไม่หลงก็แค่รู้มีแต่สติหลงแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาถ้าไม่หลงก็แค่รู้ก็คือแค่รู้หรือว่าปล่อยวางไป เดี๋ยวก็มันเกิดขึ้นเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเอ ง, เองมันได้ไปทำอะไรเรกเข้าใจไหม<ะ>เอาใหม่อธิบายใหม่ที อ, อ่ะเมื่อมีเมื่อมีสิ่งอะไรมากระทบสติสติก็จะเกิดขึ้นรับรูว้ว่ามี การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในใจของเราใ น, ในใจ เ, เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ดูเฉยๆรับรู้ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าสิ่งที่อารมณ์หรือความรู้สึกนั้นมันจะไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็จะใช้สติเป็นตัวดึงว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็กระชากกับ ก็คือว่าถ้ามันมีเสียงมันมีอะไรที่ทำให้ตกใจแล้วแล้วมันมีความอยากที่จะทำอะไรพอมันอยากทำอะไรที่มันไม่เหมาะสม็ติมาทันทีเลยแค่นี้ <c oughs> ก็มาสติมาที่เราหายใจเข้าออก แล้วถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเป็นทูก็เริ่มเริ่มดีขึ้นการใจถูกมากขึ้นเริ่มเข้าใจชัดเจนมากแล้วสงสัยอะไรไหมไม่ไม่สงสัยค่ะก็อยู่ในขั้นของการฝึกให้สติ ไม่ขาดคือพยายามคืออยู่ในช่วงของการเพียรอยู่ในความเพียรนะคะเพื่อที่จะฝึกให้สติไม่ขาดค่ะเดี๋ยวผมถามหน่อยว่าเพียรฝึกให้สติไม่ขาดถ้าสติถือว่าเพียรฝึกได้จนกระทั่งสติไม่ขาดมันจะเป็นยังไงผมถามหน่อยทีใจลึกพอสติไม่หาดแล้วก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราทุกความรู้สึก ที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่ามันตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปติดไม่เข้าไปหลงกับมันค่ะเหตุใดจึงต้องปฏิบัติแบบนั้น ร, รู้ที่ใจแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปติดไม่ไม่หลงไปกับมันเหตุใดจึงต้องทำเหตุอย่างนี้เพราะเพราะว่าการที่เราการที่ไม่มีอะิที่เราไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรเลยดู เห็นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งก็คือเหมือนเหมือนเราเหมือนเหมือนแค่รับรู้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินะคะคือธรรมชาติก็คือแค่รับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเข้ามาอะไรหายไปแล้วมันเป็นขบวนการของมันเป็นยังไงคือเราคือคือ ถ้าเป็นธรรมชาติมันมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะมันก็จะเข้าไปแทรกแทงไม่ได้ไปห้ามไม่ได้ไปส่งเสริมไม่ได้ไปยุยงอะไรไม่ได้เลยนะะ่น้ก